ปฏิบัติธรรม n ปฏิบัติธรรมก็ทำไม่ไม่ทำไม่ได้หรือไม่ปฏิบัติไม่ได้หรือก็ได้ทำไมจึงต้องปฏิบัติเพราะมันมีการชีวิตเรามีความหลงมีความทุกข์ความสุข ต้องปฏิบัติในเวลาที่มันมีงานความหลงถือว่าเป็นงานปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ความทุกข์ก็เป็นงานปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้จึงต้องปฏิบัติหัดทรรมื่มันหลงปล่อยทิ้งไว้ความหลงก็จนตายมีอยู่ในเราทุกใจความทุกข์ ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เพราะจดมีความทุกข์อยู่แบับเราจนตายความโกรธความโลภอะไรต่างๆปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้มันถ้าเราไม่ปล่อยทิ้งเราทำลงไปซาหัดพึงหัดสะทำให้เป็นแล้วมันหลงทำให้หลงไม่เป็นหลงทำเป็นมันก็จะจบได้ เป็นข้างสุดท้ายได้ไม่ใช่จะหลงจนตายทุกจนตายโกรธจนตายบางทีก็โกรธก็อดทนเราไม่จําเป็นต้องอดทนความโกรธทําให้เป็นไม่มีก็ได้ <c oughs> ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นไม่เหมือนกับเงินทองเงินทองต้องหามันใช่มันหมด เ้าปลอาหารก็ต้องหามีใบขี้มีพิชาหามามีความขยันหมั่นเพียรอาบเหงื่อต่างน้ําเจอผ้าอาพอที่วัวใส่ก็ต้องมีต้องหาต้องซ่อมแฉมต้องรักษาแต่ว่าทรัพย์ภายในไม่ต้องไหนหาหาแล้วมันแล้วนั้นจบไปแล้ว ความหลงหมดไปแล้วความทุกข์หมดไปแล้วความโกรธหมดไปแล้วม่นก็ไปต้องหาอีกมีแต่มันมีเพิ่มขึ้นมันมีมันไม่เป็นสิ่งที่มันเคยเป็นมันไม่เป็นสิ่งที่มันไม่มีมันมีขึ้นมา ตรงกันข้ามจุดหมายที่หมายปลายทางของชีวิตเรามันมีเหมือนกันชีวิตต้องมีที่หมายถ้าถึงที่หมายแล้วร้องแก่เจ็บตายไม่มีประโยชน์ไม่มีค่าสำหรับเราโอมสุขกอมทุกไม่มีค่าสำหรับเราภาษาอะไรทำไมจะต้องไปให้มีปัญหาพาะเรื่องนี้มันไม่มีค่าอะไร ถ้าถึงที่หมายแล้วนะชีวิตของเราเนี่ยมันจึงยาเสพติดซะให้ศึกษาให้ปฏิบัติมันมีที่หมายให้มันจำนานทางนี้ถ้าจำนานทางแล้วก็หลับตาดูก็รู้ทำอะไรรู้ก็รู้รู้ ผ่านได้ตลอดมันมีสิ่งที่ผ่านได้คาว่าผ่านได้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความคิดคาว่าผ่านไม่ใช่ความคิดมันเป็นการจะทำลงไปเป็นกรรมทำแล้วกรรมไม่มีผล เป็นจิริยาแม่ร่างกายจะต้องกินต้องหลับต้องนอนต้องโอดูดต้องจ่าต้องยืนเดินนั่นอนก็ไม่มีกรรมเป็นจิริยาไม่ทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษนี่มันจึงเป็นอย่างนี้จึงปฏิบัติธรรมกันทานต้องไหนถึงที่หมายถึงอย่างไร เมื sea, control, on ite, ่อมีความตายก็ไม่มีความตายเมื่อมีความเก็บก็ไม่มีความเจ็บเมื่อมีความแจกก็ไม่มีความแจกเมื่อมีสุขมันก็ไม่เป็นสุขเมื่อมีทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์มีความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีมันผ่านไปความผิดความถูกก็ไม่มีผ่านไปผ่านไป แล้วมักลับมากลับมาก็เห็นมันกลับเรียกว่าปะติลมตานุลมเบื้องตัมันที่ตรงไหนท้ามกลางที่ตรงไหนที่สุดคือตรงไหนํนานาญเพราะเราได้เดินมาตรงนี้เริ่มต้มก็คือหลงคือรูปเรียกว่าอาวิชชาหรือวิชามความหลงเป็นอวิชชาความรูปเป็นวิชาก็ามไม่ยาก มีอยู่กับเราเราใช้เราหัดให้เป็นหัดต้องไหนละ่ะมีสติเป็นในกายมันจะหลงอยู่ที่กายเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมันเรื่องอะไรบ้างหัดดูมันเอามาตั้งดูที่มันจะมีอะไรมีสติเป็นคนที่ดูแลมันดูสิกายมันจะเป็นอะไรน้รจะหลงไหมอะไรที่มันเกิดกับกาย มีอะไรบ้างให้มันแสดงออกมาเราจะดูมันเราได้เห็นเราพทะเจ้าจึงสขนพระสูตร์ดิ ว, ว่ากายสภาวะกายไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาทาไปยังพูดอย่างนี้ทาไปยังตัดอย่างนี้ลื่นเหมือนแขงนะ ไอ้ดิ้นมันฉมนก็เกิดลมไม่สะดวกไม่สะดวกอันนี้เป็นลูกมันไม่ยอมไม่ใช่สะดวกแต่ใช่เพื่อเป็นเสียงพูดบางทีก็ไม่สะดวกเป็นธรรมชาติไม่ใช่กรรม เห็นกายสัจธรรากายกายมันเกิดอะไรขึ้นพูดว่าสักแจธรรมนั้นเกิดจุกเกิดทุกข์กับกายมีไหมเอากายมาเป็นจุกเอากายไปเป็นทุกข์เอากายมัเป็นตัวเป็นตนคือกูเซะมันร้อนคือกูร้อนมันหนาวคือกูหนาวมันหิวคือกู มันสุกคือทุกกูวันทุกคือกูมันเก็บมันปวดคือกูมันไม่ใช่เลยเป็นจักรว่านี่เห็นอย่างนี้หลยมันแสดงมาเป็นจักรวากายไม่ใช่กูอะไรเป็นอาการของกายที่มันแสดงออกตามความเป็นจริงเป็นสัญญาณไทยของกายของลูก ไม่ใช่ตัวเช่ตนลอยจะได้ดูแลมันจะได้ช่วยมันยยงกัดมันเก็บแสดงว่าดีแล้วชอบแล้วถ้ายยงกัดไม่เก็บอันตรายเหยมน้ําไม่เจ็บเกี่ยวไปไม่เก็บเดินนานๆไม่รู้จักหน่อยนอนนานไม่รู้จักหนื่อยตากแดดไม่รู้จักร้อนตากฝนไม่รู้จักหนาวถือว่าผิดธรรมชาติของกายไม่ใช่เป็นเรื่องถูก เป็นเรื่องที่เห็นแก่งตามความเป็นจริงนั้นมอบให้เขาไปเป็นธรรมดาเป็นอาการธรรมชาติธรรมดาของรูปของกายผ่านได้อะไรทเกิดกับกายผ่านได้แล้วเหมือนเก่าความร้อนก่อนเก่าความหนาวความเก่าความหิวความเก่าความเจ็บความปวดความเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยทำไมจะต้องไม่ผ่าน ดับตาโดยทำในใจดูสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกาเมื่อไหร่ทำได้รู้ได้แม้มันก็เป็นกระแสไปเรื่องไม่เท่าเท่านี้มันไปหาความแก่ความเจ็บความตายได้อันกายอันรูปเนี่ยแล้วก็รู้เห็นแล้วเหมือนกับว่าต้นทางยิงไนไกลถ้าเป็นอาวุธนะ คำวศักต่ว่าเนี่ยมันปราบแล้วนะปราบฆ่าศึกแล้วนะกำลังพลคือศักต่ว่าค่าศึกคือมันเกิดอะไรขึ้นกับกายมากยักจะหมดปอยจำนวนมากๆกํำลังพลน้อยๆปราบค่าศึกได้มากนะมันไปเองแล้วนะนทำไมจะไม่ผ่าน สุขทุกข์ก็เหมือนกันจักแต่ว่าซะกำลังพ้นน้อยๆคือความรู้ตัวนี้หลักเดียวเท่านี้เห็นแนตะ่เดียวทัวนี้แม่นตรงนี้ก้าสึกวีจะมันมากก็รอบเรียบไปเคยสุขเป็นสุขเคยทุกข์เป็นทุกข์เรียบลงทันทีไม่เอาสุขเอาทุกข์มันเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเห็นเป็นนาการธรรมชาติของ องกอที่มันมีสัญญาเรีกว่าวิญญาณธาตุมันรูปจิตก็เหมือนกันที่มันคิดที่เป็นสุขเป็นทุกข์เพรความคิดมีปัญหาเพราะความคิดมีปัญหาเพราะความคิด <c oughs> <c oughs> เอาความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์เอาความคิดมาเป็นความล้อความชัง เอาความคิดมาเป็นความพอใจไม่พอใจแม้ก็เห็นจักแต่ว่าอันเขา่าจักแต่ว่ากิดกำลังพลอันเดียวปราบพราดศึกได้มากอะไรที่เกิดสุขเกิดทุกข์จากความคิดทั้งหมดเลยปราบลงได้มีกระแสไปเลยนะโอนกำลังพราดศึกลงจะนวนมากนะ ตรงที่หลงไม่หลงด่านที่หลงเคยหลงเคยกักชีวิตของเราผ่านได้ผ่านได้เป็นทางผ่านที่สะดวกที่สุดเหมือนกับสิทธิร้อยเปอร์ถูกต้องที่สุดถ้าสัต่ว่ากายสัต่ว่าเวทนาสัต่ตว่ากิจสัจธรรมธรรม บางทีก็มีความ ง, ง่วงเอาหรอนอนมีความคิดฟุ้งซ่านมีความนั่งเลสงสัยอ๋ครับตอบจากความคิดฟุ้งไปเหมือนไก่เขี่ยกุกุจะกุกุกจะอุทกจะท่วมทับกุกุกจะมูดไหวสับสนเอาจริงยังไงไม่ได้อยู่กับความคิดเรียกว่ารมบางทีก็สงบ มีปิติมีความอีใจบางทีก็เครียดไม่มีความผงสา์ง่วงงงหอนอนนี่ระวัตธรรมไม่ใช่เราเลยบางทีเราก็เสียดายเมื่อวานนี่มันดีวันนี้ไม่ดีเอาดีเอาไม่ดีไม่ใช่ไม่เห็นปฏิป ร, รมต้องเห็น เห็นอาการที่มันเป็นไปต่างๆของกายของกิตเนี่ยเห็นทุกคนวงง่วงเหงาหอนนอนก็มีทุกคนนั่นแหะถูกทางแล้วว้มนัเลงชงสัยก็มีกันทุกคนถูกทางแล้วว้อมฟุ้งซ่านก็มีกันทุกคนไปถูกทางแล้วไปถูกทางแล้วเมื่อเราเห็นก็นั่นนหะไปเลยแบกไปเลยพาบันออกมาก มันไม่เมื่ออยู่นั่นจะเมื่อยไปไม่ได้ง่วงอยู่นั่นจะมอยไปไม่ได้ลังเลสงสัยอยู่นั่นเสเมื่อยไปมันมีอยู่ไม่มีกําลังใจมีความเพียรมีศรัทธาตรงนี้เรียกว่าไม่โทษแท้ไม่โทษถอยฝึกตนสอนตนฝึกตนสอนตนดูสิเปลี่ยนหลงเป็นรูนึ่งยากไหม ถ้ามันมีหลงนะมันหัดตัวนี้นะ่ะเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกหนี่ยากไหมมันจะยากไหมทําดูเชื่มีไห ม, ม, มเวลามีสติตไปในไกายมีหลงไหมถ้ามีหลงกันงานก็เราเปลี่ยนลงดูเชืเอามาผิดเอามาถูกหรือไม่อยากค่ะมันหลงก็หลงไม่อยากค่ะมันคิดมันก็คิดมันก็เป็นคนผู้เป็นไปจ้ถ้าปฏิบัติถูกเห็น มันหลงเห็นหลงไม่กระดุ ก, กระดิกเลยพระว่าที่เห็นถ้าเป็นผู้หลงหนึ่งไปหมดตัวเลยหมดเอยความหลงเป็นหลงไปเลยแบบนี้ถ้าเราทําถูกเห็นหลงไม่ได้เป็นผู้หลงง่ายๆพิบตาดูซึ้งใจแยบพลาเห็นความหลงมีความหลง บางคนก็แยบคลายบางคนก็ไม่แยบคลายนั่นคือด้านยากไปเลยไม่ อ, อยากให้หลงก็หลงไปกันแล้วมันเป็นผู้หลงทำไม่ได้แบบนี้เป็นทุกข์ครับปฏิปทาลำบากผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกลาบากยากนู้นทำได้ยากนี่ลักษณะเดียวกันนะหลง บางคนเห็นมันหลงยิ้มยิ้มบางคนเป็นผู้หลงหน้าบูดบูดกับพูดกับเพื่อนลกรี้ลุกลนเอาผิดเอาถูกกับตัวเองเอาชอบไม่ชอบก็มไม่หลงเราชอบความหลงไม่ชอบความสงบเราชอบความไม่สงบเราไม่ชอบไปกันถึงทุล น, นแล้วไม่ใช่นักปฏิบัติ ไม่ถูกทางปฏิบัติต้องง่ายๆถ้าทำถูกเป็นง่ายเหมือนเราจักสารถ้าทำถูกรอยมันมันก็สารง่ายถ้าทำไมถูกก็ขัดกันผิดไปตะพื้ตะพือเลยอะไรก็ตามถ้าถูกมันทำง่ายถ้าผิดเราทำไปไม่ได้ ต้องกับมาแก้มาปฏิบัติธรรมมันมีคําถามมีคํำตอบอยู่ในตัวเองเป็นการสัมผัสไม่ใช่มีคําถามไม่มีคําถามมีแต่คำํตคำตอบมีแต่พูเห็นไม่ใช่คิดเห็นเราดูซึมันจะสนุกดีได้เพียรหลงเห็นมันหลงเนี่ยมันลึกซึ้งดีใจไม่เคยเห็นหลง หลงในความคิดเกิดมาไม่แค่เห็นความคิดตัวเองหยุดความคิดไม่เปลี่นนึกว่าตัวเองความคิดเนี่ยหยุดไม่เป็นเลยความคิดอย่างเดียวพาให้ไปไกลเป็นสุขเป็นทุกข์ต่อไม่ได้จินไม่เหลเปิดความลักความชังได้ความคิดอย่างเดียวนี่ยป้าตูไม่เคยเห็นความคิดเพราะว่ามีสติเห็นมันคิดนขยันตรงนี้หรอ ความคิดเป็นความหยาบคลายจำเลยหมายเลขหนึ่งของบาปของอกุศลแต่ก่อนไม่รู้ความคิดเ่ยที่ว่ากิจต่อนุปัจนานี่ไม่เคยเห็นก็ไม่เห็นหรอกทูจำเลยหมายเลขหนึ่งเป็นโทษหนักกลายเป็นจำเลยหมายเลขสองวาจาเป็นจำเลยหมายเลขสามทำกรรมได้จาเร็จทั้งสามทวาร อุนโตมันคือความคิดความคิดมันเกิดจากความหลงสาวมันไปแล้วมีความรูกก้ควบคุมได้จึงมีสติเห็นสักแต่ว่าสัากแต่ว่าตัวสติไปอย่างนีนะ้ไม่ใช่ไปหาคําตอบสช่ไหมทำไมทําไมทําไมไม่มีอย่างนั้นมีจะเห็นใบง่ายๆกำนานทาง คนชำนาญทางทําอะไรก็ชํานาญเรื่องนั้นชานาญในเรื่องนั้ น, น, น, น, นมันบอกผิดมันบอกถูกมันบอกเวลาเราปฏิบัติเช่นหลวงกับเห็นมันหลวงไม่เป็นผู้หลวง้าหลวงเป็นหลว ง, ลงเป็นยังไงต่างกันไหมหลวงเป็นหลวงหลวงเป็นลูก ทุกเป็นทุกทุกเป็นลูกสุขเป็นสุขสุขเป็นลูกผิดเป็นผิดผิดเป็นลูกอะไรต่างๆลองดูเชื่สับผัดดูแล้วผิดเป็นผิดยังไม่ทํางานเลยปล่อยทิ้งไว้การบ้านไม่ทํำสุขเป็นสุข ทงไว้ทุกเป็นทุกทิ้งไว้กา น, นปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปจับสมบุกสมมืนไม่ใช่แบบนั้นนะปฏิบัติธรรมรมในใจสร้างความเห็นให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิมีสติก่อเกิดช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ มีการกระทำหลงไปทำไม่แยบคลายมันหลงเห็นหลงมาได้เป็นผู้หลงเบาๆ้าหลงเป็นหลงเป็นผู้หลงหนักๆหนั ก, ก, นกเดินทางชาไม่เร็วเน่นชาหลงเป็นหลงชาเสียแล้วหลงเป็นลูก ไว้ขัวคนที่ชาเหมือนม้ามีฝีเท่าดีและม้าที่มันมีฝีเท่าต่างห่างกันถ้าหลงเป็นหลง ม, ม้าไม่มีฝีเท่าถ้าหลงเป็นเห็นมันหลงม้ามีฝีเท่าจอมและม้าที่มันมีฝีเท่าไปจากกันเช่นไร เหนนั่นเหมือนกันเวลาเรามีอันเดียวกันหลงแบบเดียวกันถูกแบบเดียวกันทุกแบบเดียวกันแต่มันต่างกันมันชำนาญต่างกันนะจีเรานีต้องให้แยบคายเวลาเราปฏิบัติเริ่มต้นได้ถูกทางเหยียบเส้นทางได้เข้าไปได้ไหวถ้าเหยียบเส้นทางไม่ถู ก, กนอนชาหลงอยู่ไม่โลกกีโลก ไม่ได้ประโยชน์จากความหลงผิดมันได้ชู่วไว้กี่โลกไม่ได้ประโยชน์จากความผิดถูกไว้รู้ไว้กี่ โ, โลกไม่ได้ประโยชน์จากความถูกสติมันไม่ใช่ไปเรียนรู้เหมือนกระจาเอาอย่างนั้ น, น, นมันพบเห็นสติมันพบเห็นได้ประโยชน์จากความผิดมากมายได้ประโยชน์จากความสุขมากมายได้ประโยชน์จากความทุกข์มากมาย ผ่านมาได้ทุกขัง้งทุกข่าวนี่คือสุขนี่คือทุกนี่คือพอใจนี่คือไม่พอใจไม่มีค่าสำหรับผู้มีสติผู้ไม่มีสติก็มีค่ามากถ้าผิดก็ไม่ชอบข่าแล้วปีค่าแล้วถ้าถูกก็ชอบปีค่าแล้วสุขก็ชอบมีค่าแล้วทกกวุก็ไม่ชอบมีค่าแล้วสติมันจะเป็นกลางๆนะเหนือ เห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันสุขเป็นมันทุกข์เป็นอย่างนี้รวบาสตินะจับตรงนี้ให้ได้ดูให้ได้มันจะง่ายๆนะถ้าจับตรงนี้ไม่ได้จะยากนะพวกมุ่งหนอนก็จะคุกคามส่วนกันได้สู้กันเหมือนกันสู้กันเอาผิดเอาถูกเอายากเอาง่ายเอาได้เอาไม่ได้ทำได้ทำไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้น จะยากนะเข็นโคกเคลื่อนเขานด้เห็นนี่มันง่ายๆนะมันกลิ้งโคกลงเขามีความรู้จึกตัวก็ง่ายๆเอาเบๆก็ได้หยาบๆก็ได้ยกมือเคลื่อนไหวก็ได้ทําในใจก็ได้บางทีเอาหนักๆบางทีเอาบๆ บางทีตอนที่มันหนักเอาหนักนนนน ก, นน ก, นก็ต้องมันมีน้ําหนักเช่นขัวง่วงเหมือนกับของหนักต้องโหมแรงยกยังจะขึ้นน้ามันอยู่ดีๆจะไปเน่นไปโหมแรงมากก็ไม่ใช่เบิกปืนเงินไปก็ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะมันไม่เป็นอะไรอยู่ก็ยังเอาอยู่นั่นนะไม่ใช่แบบนั้น มันมีจังหวะบางทีมาถามทำจังหวะชาดีหรือไวดีบางทีหลังมาถามการสร้างจังหวะจะทําชาดีหรือไหวดีเดินยังกรมจะทําชาดีหรือไหวดีมันไม่มีคําตอบให้เป็นสากลแุ้วแต่ตัวใครตัวมัน ถ้าม <łość> ันงวงก็แรงๆสัหน่อยถ้ามันง่วงนะต้องโหมแรงโหมควมลูกเข้าไปเสิบเข้าไปต่ายก้มือแค่นี่ไม่พอก็ยกมือแค่นี้ให้มันสุดอันทีเวียงมาเวียงมาเอานกโดแบบก็ได้ตาก็ยังเคยทองอ่ ใบหน้าเบิกบานครับเนี่เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนเรานั่งอยู่ต่งหน้าพระพักของพูะเจ้าจะมานั่งง่วงนี่ไม่ได้เพราะรบพูะเจ้าทำในใจหลายๆอย่างเสริมเอาหลังเข้าไปแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาทันทีเปลี่ยนฉากเลยเลยเวลามาง่วงมันไม่ใช่ ทำชาตรงนั้นไม่ได้ต้องทํำแรงๆไปกับมันมันของหนักต้องโหมแรงใส่แล้วของบอกก็หยิบนิ้วเดียวสองนิ้วก็ได้มันอยู่ดีๆนีไนนไ่ไปเน่นทําไ ม, ไ, มไปเน่นทําไมไม่เป็นลีนทําไมโหมแรงแรงก็หมดนะก็ลูปเบาไปยิ้มแย่้งใส่ไปทําในใจสบายๆเห็นไปเห็นไป เวลาบันผิดจริงเห็นความผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดวันสุขเห็นสุขวันทุกข์เห็นทุกข์มันหลงเห็นหลงง่ายๆแบบเนี้มันเหนือนะมันเหนือแบบนี้แบบนี้อันอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้ผิดก็เห็นถูกก็เห็นสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นอะไรก็เห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเนี่ย สุขก็เอามาทุกกหาา็หนีไปไม่ชอบเอามาหนีไปไม่ใช่แบบนั้นมันไปอย่างนี้อันเดียวกันเพราะว่าที่รู้มันเดียวกันสุขก็รู้เนี่ยทุกก็รู้ผิดก็รู้ถูกก็รู้อะไรก็ตามรู้อย่างเนี้ไปได้ง่ายไปตลอดฟรีเวผ่านได้ตลอดง่ายๆ ถ้าามถูกเป็นสัมมาทิฏฐิปเป็นพวงไปเลยมีสติเห็นอันนี้ก็เป็นศินเห็นไม่เป็นนี่เป็นศินแล้วไม่เปิดเื้อนแล้วถ้าสุขเป็นสุขไม่ไม่มีศินแล้วเปิดเื้อนแล้วทุกเป็นทุกเปิดเื้อนแล้วถ้าเห็นไม่เปิดเื่อนนลยการเห็นนี่ยไม่เรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติขมอจฉันไม่เปิดเื่อนจึงได้เห็นไม่เป็นน่ย มันง่ายๆ่ายได้เป็นและมันยากที่จะไม่เป็นจึงง่ายง่ายไม่มีค่าสุขไม่มีค่าทุกข์ไม่มีค่าผิดไม่มีค่าถูกไม่มีค่าไม่ใช่อบายชอบเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้นี่เรียกว่ามัชฌิ ม, มาปฏิปทาละความชั่วยอยู่ตรงนี้ทำความดีอยู่ตรงนี้จิตจะบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ ชินก็อยู่ตรงนี้สมาธิก็อยู่ตรงนี้ปัญญาก็อยู่ตรงนี้มรรคก็อยู่ตรงนี้ผลก็อยู่ตรงนี้เมื่อถึงรู้อะไรเกิดขึ้นรู้รวมหลงเป็นเหตุรวมรู้เป็นผลทันทีเหตไม่ดีเป็นผลดีทันทีนั้นยิ่งธ ร, รมมาเห้ตูปปปบบะเตจังเหตูตถาตคาโตราะอาจชกิ ตัดคาถานี้ให้แก่ภาษาลบุตรฟังในโรงตาเห็นธรรมโอ้มันใช่มันอยู่ที่บทที่มันพบได้ในชีวิตเราเนี่ยทมดูไม่ใช่ทดลองมันสัมผัสจริงๆนะไม่ใช่ทดลองนะ สัมผัสความหลงสัมผัสความไม่หลงดูสิสัมผัสความทุกข์สัมผัสความไม่ทุกข์สัมผัสความโกรธสัมผัสความไม่โกรธมันมีอะไรก็สัมผัส ด, ดูไปจุ่มลองดูดการจุ่มนี้ถ้าสัมผัส ด, ดูแล้วไม่มีคำถามเป็นคำตอบของตัวเองเป็นปัจจัตตังของใครของเราภาษาศาส า, สานาคิดเขาเรียว่าอย่าปัก ยาปักอธิบายไม่ได้ความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงกิเลสตนณาอธิบายไม่ได้ต้องไปจุ่มเอาเคยไปศึกษาศาสนาเปรียบเทียบที่ฟิลิปปินส์หลายศาสนาะและฟิลิปปินเป็นสูงตางของคิศาสตนะ์ศาสนา ให้รู้จักสังคมคนจนเป็นยังไงคนรวยเป็นยังไง ร, รวมทุกข์วมทุกข์เป็นยังไงไปสัมผัสรวหย า, าปักไปศึกษาความทุกข์ความจนของคนไปดูเฉยเฉยไม่ได้ไปดูไปเห็นที่อยู่ขเขาเฉยเฉยไม่ไปอยู่ธรรมาหาจริงของเขาไม่ได้ต้องไปสัมผัสรวหย า, าปักเขาให้ทำย่างไง สมมครไปดูคนจนความทุกข์มันเป็นปยังไงไปแล้วก็ก็ให้อยู่บ้านหลังหนึ่งเขาหนีออกไปในบ้านนั่นมีผ้าพรมเก่าๆาขาดๆเหม็นสา ป, ปูวไว้ในห้องหน้ามี มีถังขยะแตกๆใสยน้ำไว้ไม่มากขันก็บุบๆมุ่มๆเก็บมาจากถังขยะแล้วจะนอนที่นั่นโดยต้องถ่ายที่นั่นล้าหน้าแปรงฟันที่นั่นอยู่ด้วยกันสามลูกไปด้วยกันสามลูกพระแล้วเป็นเพื่อนกัน เราไปดูที่นอนไปดูห้องน้ำเหงื่อไหลใครย่อยจะทำยังไงจะใช่ น, น้ำนี่ตั้งแต่ย่ำค่ำจนถึงพรุ่งนี้เช้าตั้งล่างหน้าตั้งแปลงพันทั้งใช่ห้องน้ำจะทำยังไงที่นอนก็ผ้าพรมโกโก้เหม็นสาบทำยังไงไม่คีน้อยอืม เอาผ้าอาบน้ำเนี่ยปูนอนนอนอย่างมันจงนะอย่างมันจงเลยว่าเพื่นน้อยโอ้อย่างมันจงเลยอย่างกระดูกกระดิกเอาฝาบาทไปเป็นหมอนนอนแต่ก่อนจะนอนเนี่ยเงยไหลทำไงน่ะก็ตกลงกันว่าอย่าอาบน้ำมาเนี้เรานอนอย่างนี้แหละแล้วก็นอนหลับ นอนลองดยมันรู้สึกวันมันไม่เคยกินในสภาพแบบนี้นก็เลยแอ บ, บลุกไ ป, ไปมีแกว้วสำหรับติดกระติกน้ำไปแก้วนี้เป็นนั่งสมาธิในห้องน้ำยกแก้วขึ้นมาจะอาบน้ำสามแก้วจะได้ไหม<า> <c oughs> ยกแก้วขึ้นมานนหน่อยๆแก้วสแตนเลสมีหูหน่ใช่ไหมขนาดนสามแก้วน่าจะอาบน้ำสามแก้วลองดยเช่จะได้ไหมทำสมาธิดีมันต้องได้ไก็นั่งลองดูอเอาแก้วน้ำ ม, มาตักขึ้นมาเลยใช่ไหมแก้วเดียวลูบไปทั้งตัวเลยไรๆค่อยๆทีลงไหลไ ป, ไปทั่วๆถู สบู่จะบางบาลูกๆไปถูถูจนแห้งนะน้ำไปตรงไหนถูไปตรงนั้นแย่ที่สองลูบไปสบู่ยังเชื่นอนู่กับถูไปพอแย่ที่สามรู้สึก ส, ส ะ, ละลกอาดเลยแอบเพื่อนไปขโมยเพื่อนลองดยอยูสิยาปักสัมผัสตูวบนหขนาดไหน เคยเช็ด น, น้ำเป็นปิ๊บปบอาบน้ำอ่ะอาบน้ำสามเข้วจะได้ไหมยังภูมิใจเราอาบน้าเช่นนี้ก็ได้แต่มานอนนี่คืออย่าปักไปจุ่มดูปฏิบัติธรรมเหมือนเช่นนั้นจุ่มคว่ำหลงเป็นไงจุ่มคว่ำไม่หลงเป็นไงได้คํำตอบตอบไปเองค่วมหลงถูกต้องไหมร่วมไม่หลงถูกต้องไหม รมโกรธถูกต้องไหมควมไม่โกรธถูกต้องไหมรวมทุกข์ถูกต้องไหมควมไม่ทุกข์ถูกต้องไหมไม่มีคําถามตรงนี้ก็ผ่านมาผ่านมเห็นอะไรก็เฉลยไปสติตัวเห็นนี่ตัวเฉลยยิ่งใหญ่มากนะใหญ่มากเพราะว่าที่เห็นเนี่ยใช่เถอะเอาหลักนี้ได้นะปฏิบัติต่างเพื่อด่วนด่วนชั่หน่อยตัวด่วนชั่งหน่อ ย, หอยเห็นเนี่ย ง่ายไปก่อนอย่าหาเหตุเอาผลพวกลงมันชอบมีเหตุมีผลมีการศึกษามากเอาเหตุเอาผลมาประกอบมีตามหลักวิทยาศาสตร์หาคำตอบจากวิทยาศาสตร์จากเหตุจากผลบางทีก็เหตุผลนี่ไม่ใช่สัจธรรมเหตุผลนี่ฆ่ากันตายได้ไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมที่เป็นมรดกเป็นผลไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นะ มันใช่เหตุควาแบบนแั้นมันเกิดจากอาวิชชาคือความไม่รู้วิชชาคือความรู้มันอยู่ตรงไหนวิชาวิชาอาวิชชาคือหลงวิชชาคือรู้อวิชชาคือปรุงแต่งวิชชาคือหยุดปรุงมันคิดหยุดไปก่อนมันคิดมันมีสองลักษณะคิดที่ไม่ได้ตั้งใจหยุดทันที อันคิดที่ตั้งใจไม่ต้องจําเป็นต้องมาคิดกันเวลานี้มาเข้ากับมาถ่านเข้ากคตรมาหาเรื่องหมาคิดอะไรหยุดไว้กอ่อนเคยมีลูกก็อยไปคิดถึงลูกเคยมีเมียก็อย่าไปคิดถึงเมียถึงผัเวเคยมีคนรักคนช่างก็อย่าไปคิดถึงคนรักคนช่างเอาไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเร า, าจะมีความรักมาด้วยก็ไม่ใช่เอามานี่ก่อน ถ้าเป็นเรื่องทุบพระเจ้าที่ได้เกิดตอนตัดจะลูกเนี่ยเคยมีลูกก็คิดถึงลูกมีเมียก็คิดถึงเมียนะนะหุนเกิดประสูตยไปใหม่เจ็ดวันเพิ่มพาก็ยังอ่อนล่าอยู่ยังไม่แข็งแรงไหนาหมายอมคิดก็คิดทีเลยเอ้าเราจะลักแต่เพราะเราหุนหรือคนทั้งโลกเนี่ยเราจะลักคนทั้งโลก เราจะรักแต่พาะพิมพ์พาหรือไม่ใช่เราจะรักคนท้องลูกเพื่อนี้ให้มันเห็นเหนือนการเกิดแก่เจ็บตายนี้ถ้าเราช่วยคนเลาวนี่ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่เราจะรักแต่พาอเราหุนพิมพ์พาล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาวางเราก็สร้างกาลังขึ้นมากลับมาทิ้งไว้ก่อนมาลูกมาลูกมาลูกเอาเวลาที่ กำหนดไว้มาเป็นหวมรู้สึกตัวเก็บเก็บให้ได้เอาส่วนใดส่วนหนึ่งของกายมาเป็นวัดถุปกรพิษออกมาติดตามลองดูซิไม่ใช่เข่งนะไม่ใช่เพกนะเป็นการดูดูเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนกับจะไม่ใช่จ้องนะดูเนี่ยเห็นเนี่ย มันเป็นความพอดีพอดีเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมม๋งบอตก็สุกเป็นทุกทุกเป็นทุกหนักหนักจึงไปมันง่ายถึงจุดหมายปลายทางไม่เป็นอะไร มีจะเห็นไม่เป็นอะไรผ่านมาทุกอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับกากับใจนี้ไม่เป็นอะไรไปกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็กลับมามากลับมาตั้งโต้ตไป เ, เหมือนกับคนทำด่านทางทำไงก็ไปทางนี้จะทาไงก็เป็นอย่างนี้บังคับให้หลงก็ไม่ใช่จะบงังคับให้ลักให้ชังก็ไม่ใช่ จะบังคับให้สุขกห้ทุกข์ไม่ใช่บังคับยังไงก็ไม่ไปเพราะไม่ถูกต้องมันต้องไม่เป็นอะไรชีวิตไม่ต้องเป็นอะไรนะความเจ็บก็ไม่มีอะไรความเกลบก็ไม่มีอะไรความตายไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือชำนาญเท่าสัมผัสตัวแล้วเป็นจากนี้จริงๆหรือว่าบ้างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนที่จะให้ตนเป็นสุขเนทุกข์ ที่จะให้ตนไปเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่มีภาวะเช่นนั้นมีแต่เห็นอย่างนี้แนละ้วเห็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ไปรู้โน้นรู้นี้ไม่ใช่ไปนั่งรู้เอารวมรู้ต้องประกอบขึ้นมาส่วนโดยส่วนหนึ่งรวมหลงไม่ได้ประกอบมันเกิดขึ้นมาเองรวมสุขรวมทุกข์ก็ไม่ได้ประกอบมันเกิดขึ้นมาเองเพราะเหตุปจัจจัย กรมรู้สึบตัวต้องมีก่ำเป็นที่ตั้งมีฐานเป็นที่ตั้งหัดไว้ก่อนหัดเป็นเจ้าของสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจดูแลกายใจให้มันคุ้ ม, มเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่าปล่อยมันสุกเปนทุกข์มันกาย ใ, ใจนี่ให้เห็นมันแสดงออกมาท่าไหนอย่างไรให้เห็นมันดู เกี่ยวข้องกับมันให้ถูกต้องทุกบางอย่างกําหนดรูดในการรูดทุกหบางอย่างกําหนดรูดในการมันเท่าทำไม่ถูกต้องทุกหบางอย่างกําหนดรูดในการละมันมีอย่างนี้ระเบียบของเขาระเบียบของความทุกข์ทุกความหลงความโกรธละทันทีไ ว, ไวทัยวัยเช่นนี้ ทุกพอร้อนพอหนาต้องบันเทาแล้หิวพอปวดต้องบันเทาต้องกินต้องขับต้องถ่ายทุกที่กําหนดรู้ทําอะไรไม่ได้ไมีแต่รู้เฉยๆหายใจเข้าพิบตากลืน้ําลายก็มไม่เที่ยงว่าไหลของวันนี้จังอย่างนี้ทุกอย่างนี้กําหนดรู้เอ้จะไปแก้ไม่ได้ไม่ออกมาเป็นทุกข์อะไรก็มาเป็นทุกข์ทั้งหมดมันไม่ใช่ ทุกที่กําหนดรูปก็กําหนดรูปเฉยๆรูปแล้วรูปแล้วเท่านั้นทุกที่ต้องบรนเทาก็ไม่มีคกมามทุกนั่งนานมันก็ปวดกว็มื่อยก บ, บันเทาธรรมชาติธรรมดาหิวข้าวก บ, บันเทากินข้าวถ้าร้อนก็อาบน้บนําบรรเทาถ้าหนาวโขมผ้าบรรเทาตามธรรมชาติไม่ออกมาเป็นทุกเกี่ยวก็กระชุกกรบทุ่ ไม่มาโผล่เปย์กันเราทุก <Meyer> ข <tumors> ์ความหลงความโกรธความโลภความรักความชังความโผงความแต่งทุกแบบมันต้องละไหวไววนี่ว่าทุกข์อริสัตถสีทุกข์อริสัตถ์ง่ายง่ายเปลี่ยนความโกรธเป็นความมะโกรธเป็นของง่ายที่สุดไม่เหมือนกับเล่ยุงเปลี่ยนความทุกข์เป็นความมะทุกข์เป็นของง่ายที่สุด ไม่เหมือนกับหิวข้าวต้องกินข้าวยากกลัวจะเอียนปวดหลังปวดเอวคนแก่ต้องเหน็ดเหนื่อยเคี่ยวอาหารฟันไม่ดีกลัวจะได้กลืนไม่เหมือนคนหนุ่มนั่งกินข้าวก็ปวดหลังปวดเอวมันทุกข์มันความโกรธมันไปยากปปนานตามความเห็นใ้ถูกต้องเมื่อน่าจะโกรธมันน่าจะทุกข์เลย เชื่อด่ยเชื่อเปรียบความโกรธเสื้อเปรียบความทุกข์เชื้อหายความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นคนหนึ่งก็กระทุกกระเทือบบีบมากมายเชื่อดายตรงนี้มากเชื้อเปรียบกันจํานวนมากเชื้อเวลาความโกรธความโลภความหลงเป็นอกุศล ถ้าไม่มีเฉลี่ยนี่ก็เป็นกุศลขึ้นมาเป็นคนคนเดียวกันมีสติก็เป็นคนคนเดียวกันหน้าหลงก็เป็นคนละคนันไปสิ่งที่ทำได้ไม่ทำสิ่งทำ ม, ม่ได้ไปทำซะเรานั่งอยู่นี่ถ้ามีสติมันก็คนเดียวกัน ไม่ใช่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่เป็นคนเท่าคนแก่ไม่เป็นอะไรว่านักบวชเป็นอันเดียวกันหมดเลยถ้ามีสตินะอริยชนนั้นเนี่ยถ้ามีความหลงก็คนเราคนกันไปแล้วแม้แต่เราก็พึ่งเราไม่ได้ถ้ามีความหลงมีใจก็เพิ่งใจไม่ได้มีกายก็เพิ่งกายไม่ได้ถ้ามีความหลงแล้ว อันตรายเป็นผงกระทบต่อสิ่งอื่นวัตถุอื่นไปจึงไม่น่าจะปล่อยทิ้งไว้อันความหลงหอเอามันซะเปลี่ยนเป็นรู้ซะมันแล้วไปซะให้มันแล้วไปซะช่วยกันเถอะน้างพ่อเทียนสอนเราแล้วก็มาสอนคนอื่นต่อไป คนอื่นช่วยเราเราก็ช่วยคนอื่นต่อไปสู้ระหว่างการช่วยเหลือกันอย่าให้ขาดตอนทุกคนที่เกิดมานั่งอยู่นี้มีแต่คนช่วยเหลือมากันทั้งนั้นทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็มีแต่คนที่เคยมีทุกข์เหมือนกับลดมือสองมาแล้วถูกชนถูกเก็บปวดมากันทั้งนั้นน่าเห็นใจกันนะ ถ้าจะเฉียดเช่นเนะี่ยองคท่านใครไม่เคยมีทุกข์ให้ลงไปข้างล่างเลยเชีลงไปดูเจ้คนได้ไหมถ้าใครไม่เคยมีทุกข์เลยเกิดมาเนี่ยให้ลงไปข้างล่า ง, อ, ง, าา ง, า ง, างอาจจะไม่มีจ้คนนะ <laughs> น่าเห็นใจกันนะเนี่ยเนอนั่งอยู่นี่นะไม่ควรจะจะเบียดเบียงกันเลยทุกคนก็มีทุกข์อยู่แล้วไม่พิธีใดก็พิธีหนึ่งเป็นรถนมือสองถูกชนมา เห็นใจกันมากัดตื่รือรถมาช่วยกันเถอะการช่วยอย่างนี้ช่วยใครช่วยตัวเองก่อนเปลี่ยนหลงเป็นรู้เอาเถอะทุกคนเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเวลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เนี่ยมันก็จะจบง่ายๆไม่ต้องไปเจนกันนับหนึ่งจากตัวเรานีทุกชีวิตนับหนึ่งขึ้นมาหนึ่งละเราเนี่ยจันเอาละจะน แล้วก็มีนี่ไม่น่าจะทุกข์แต่เราเนสงสารพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงเรามาไม่อยากให้เราเป็นทุกข์ว่าแม่เลี้ยงเรามาไม่อยากให้เราโกรธอยากให้เราเป็นคนดี<ม>พ่อแม่เลี้ยงมานะถ้าโกรธนี่สงสารแม่บ้างไหมคิด้น่อยสองสารแม่ไหมเวลาโกดถ้าทุกข์นี่สงสารแม่ไหมหรือว่าเป็นตัวเราเองไม่ใช่นะกระทบกระเทือนนะใช่มไหม เห็นลูกโกรธเป็นไงน่ะพ่อแม่ก็ทุกข์หัวเราะลูกหัวเลาะก็หัวเลาะล่องให้ก็ลองให้แต่ลูกล่องให้ก็ลองให้ด้วยทุกหัวเราะก็หัวเลาะด้วยเพราะนั้นอย่าเอาเนี่ยไปทําชั่วไปจะเกิดทุกข์เกิดทุกทุกไม่ได้สงสารพ่อแม่โกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่ทำความชั่วไม่ได้สงสารพ่อแม่แม้เห็นไหมพ่อแม่ไม่มีกระเนี่ยเขาลบมากมเลยเขาลบพ่อแม่นี่ จะเป็นอันเดียวกันเลยมิตรภาพนี่ปฏิบัติธรรมเป็นประธรรมนองนี่นะมันทำได้จริงๆนะให้นับหนึ่งจากเราตั้งต้นจากเราทุกคนประเทศไทยมีประชาชนหกสิบกว่าล้านคนถ้านับหนึ่งจากทุกคนก็แพบเกี่ยวเป็นอันเดียวกันไปนเลยนะปฏิบัติธรรมเป็นธรรมนองนี้นะ มีสติก็ละความขั้วมีสติก็ทำความดีมีสติกิตก็บริสุทธิ์ทันทีทุกคนก็มีกายมีสติมีกายมีใจดูแลรักษาให้คุ้มอย่าให้ไปเกิดปัญหาเจอตัวเองและคนอื่นไม่ทําให้ตนได้เกิดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนจึงอื่นเดือดร้อนแล้วเราก็จะช่วยคนอื่นไม่ให้เขาทําลายตัวเขาใอ้เคร่องคนอื่นไม่ให้เขาทำลายคนอื่นเป็นอย่างนี้เลยว่า ปฏิบัติธรรมกั น, เ ป, นกเป็นกรอบเป็นกรรมขึ้นมาพึ่งพาอาศัยกันได้อ้สอสมควรใจเวลากับพระพร้อมกัน